สามสี่วันก่อนได้ไปพูดที่โรงพยาบาลแพร่แล้วเขาก็าถือโอกาสให้นิมนต์ไปเยี่ยมผู้ป่วยด้วยแต่หลายรายก็หนักทั้งนั้นมีบางรายก็เป็นผู้ชายประสบอุบัติเหตุ ก็ไตาวายฉับพลันโคมา่าอยู่ได้ด้วยเครื่องพยุงชีพก็อยู่ได้หลายวันแล้วแต่หมอก็บอกว่าไม่มีความหวังตอนที่ไปเยี่ยมหมอก็บอกกับ ครอบครัวเมียและลูกว่าคงจะไม่รอดลูกก็ร้องไห้เรียกว่าฟูมไฟลเลยเพราะลูกชายอายุประมาณยี่สิบกว่าที่จริงเขาก็น่าจะทำใจตั้งแต่ ตั้งแต่วันแรกๆ แ, แล้วเพราะว่าอยู่มาได้อาทิศหนึ่งแล้วก็ไม่มีอะไรดีขึ้นตรองนี้มีความหวังพอหมอบอกว่าคงอยู่ได้ไม่นานแต่ก็ร้องหหมร้องไห้ก็พยายามแนะนำให้เขาใช้เวลาที่เหลือน้อย พูดสิ่งดีๆกับพ่อบอกความในใจว่ารักพ่ออย่างไรประทับใจในตัวพ่ออย่างไรแต่ว่าลูกชายนี่ก็เอาจจะร้องไห้นั่นแหละ คงนึกถึงแต่ว่าพ่อกาลังจะจากไปนึกถึงความตายของพ่อแต่ยังไม่ได้ตระหนักว่าตอนนี้พ่อยังมีลมหายใจยังมีชีวิตยอยู่ยังสามารถจะทำอะไรดีๆให้กับเขาได้ก็แต่ร้องไห้กลายเป็นว่าโอกาสทองนาทีทองกำลังจะหลุดลอยไป เพราะว่าถ้าตายไปแล้วก็ทำอะไรไม่ได้แล้วช่วยแล้วก็ไม่ได้แล้วให้ตอนที่เขายังอยู่ยังมีลมหายใจแม่จะอยู่ได้ด้วยเครื่องก็ยังรับรู้อะไรได้ให้เขาเห็นลูกร้องไห้หรือว่าจะให้เขาได้ยินคำพูดของลูกนะที่ชวนให้พ่อสบายใจภูมิใจ ดีใจละลูกชายนี่ก็เป็นนึกถึงแต่สิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นคือความตายของพ่อจนลืมที่จะอยู่กับปัจจุบันหรือว่าใช้ปัจจุบันให้มันดีที่สุดอันนี้คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับ คนทั้งหลายในโลกนี้นะ่วยให้โอกาสทองหลุดลอยไปเพราะว่าเป็นมัวแต่นึกถึงเหตุการณ์ในอนาคตซึ่งมันยังไม่เกิดมันเกิดแน่ก็จริงแต่ยังไม่เกิดก็ไปจมอยู่กับเหตุการณ์อย่างนั้นแหละก็เลยร้องไห้ร้องไห้พอนึกถึงว่าพอจะตายจะตาย แต่ไม่ได้ระลึกว่าตอนนี้เขายังอยู่เขายังอยู่ <c oughs> ยังทำอะไรดีๆกับเขาได้ก็พยายามพูดพยายามชวนให้เขาตั้งสติแล้วก็ทำได้ไม่นานเดี๋ยวก็ร้องอีกอันนี้ก็น่าเห็นใจนะแต่ว่า มันก็เขาจะเสียใจมากขึ้นถนะ้าเกิดว่าเขารู้ว่ากำลังทาให้กาลังปล่อยให้โอกาสทองหลุดลอยไปจริงๆการที่เขาฟูมไฟนี้ก็ส่วนหนึ่งก็พ่อเขาไม่ได้เคยเตรียมตัวเตรียมใจว่าสักวันหนึ่งพ่อต้องตายที่จริง แต่ตอนที่อาการหนักแบบนี้ก็ต้องเตรียมใจได้แล้วแม้ว่าจะมีความหวังแต่ก็ต้องเผื่อใจไว้กับสิ่งที่เร็วล่าที่สุดภาษาฝรั่งมันมีสำนวนหนึ่งนะครัว่าให้หวัง ว่าจะมีให้หวังในสิ่งที่ดีที่สุดแล้วก็เตรียมพร้อมสำหรับสิ่งที่มันแย่ที่สุด hope for the best prepare for the worst ต้องมีความหวังว่าความหวังในสิ่งที่ดีๆว่ามันสามารถจะเกิดขึ้นได้แต่ก็เผื่อใจไว้กับสิ่งที่มันแย่ที่สุดในตอน คนป่วยหรือว่าคนที่อาการเพียบหนักขณะที่พยายามเยียวยาช่วยกันเต็มที่ก็ต้องมีความหวังไว้บ้างก็ดีอันนี้ก็เป็นประโยชน์สำหรับปุถุชนแต่ก็ต้องเผื่อใจไว้สำหรับสิ่งที่มันแย่ที่สุด ที่จริงนี้ก็เป็นคำสอนพุทธศาสนาแนมะ้ว่าชีวิตนี่มันเป็นทุกข์แม้ว่าคนลองจะมีกิเลสมีวิชาแต่เราก็มีความหวังว่าสิ่งที่ดีสุดสามารถจะเกิดขึ้นกับชีวิตของเราได้สิ่งที่ดีสุดคืออะไรไม่ใช่ความมั่งคั่งร่ำรวยแต่การพ้นทุกข์ ชาพุทธทุกคนนี่เราแม่จะรู้ว่าชีวิตนี่มันเป็นทุกข์นะแต่ว่าก็เชื่อว่าความพ้นทุกข์เกิดขึ้นได้ไม่เหลือพิสัยอันนี้เราว่ามีความหวังในสิ่งที่มันดีที่สุดหรือมีความว่าสิ่งที่สุดสามารถจะเกิดขึ้นได้แต่ก็ต้องเผื่อใจไว้ สำหรับสิ่งที่มันแย่ที่สุดนั่คือความไม่ประมาดนั่นเองอย่างที่เราสวดกันตอนเช้าเนี่ยแล้วข้อความหนึ่งเราทั้งหลายเป็นผู้ที่ถูกความทุกอย่างเอาแล้เป็นผู้ที่มีความทุกเป็นเบื้องหน้าแล้วถ้าสวดตั้งใจสวดแล้วพิจารณาตามว่าทําให้ไม่ประมาทความทุกมันอยู่เบื้องหน้าเราแ ล, แล้วก็มันอยู่กับตัวเราตลอดเวลา จูๆก็ป่วยจุตๆก็เป็นลมจุ่ๆก็หัวใจหยุดเต้นนี่เราความทุกข์ตูวความทุกข์อย่างเอาแล้วความทุกข์รอเบื้องหน้าแล้วแล้วความพัดผ้าสูญเสียอันนี้เมื่อรู้แล้วก็ต้องเตรียมใจเตรียใจรับสิ่งที่มันแย่ที่สุดว่ามันสามารถจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา คนเราก็ต้องจะอยู่ได้นะสัพตส่วนก็ต้องมีความหวังนะแล้วความหวังนี้กมันก็ไม่ใช่เป็นความหวังลงล้มลงแ ง, ง, ง, ง, งเป็นความจริงที่สามารถเกิดขึ้นได้อุจอว่าอริยทรัพย์อริยโลกุตตรธรรมนะเป็นทรัพย์ประจำตัวของทุกคน อริยะโลกุตตรัธรรมเป็นทรัพย์ประจำตัวของทุกคนก็หมายว่าคนทุกคนนี่มีความสามารถที่จะเข้าถึงโลกุตตรัธรรมได้สามารถจะหลุดพ้นจากทุกข์ได้จะวพ่าพุทธภาวะนี่มันอยู่กับเราเพิยงแต่ว่ามันต้องรอการภูมิฟักเล่อเลี้ยงให้งอกงามแต่ในระยะกันเราก็ประมาทไม่ได้เพราะว่า อาจจะตกอบายหรือว่ า, าจะเจอทุกตกรละกำลำบากต้องเจ็บต้องป่วยต้องตายก็ได้ถ้าเตรียมตัวไว้อยู่อย่างไม่ประมาะมันก็ทำให้เร่งเราเร่งทำความดีเร่งสร้างกุศล แล้วก็เล่งฝึกใจให้เตรียมพร้อมรับมือกับสิ่งต่างๆที่มันไม่น่าดูไม่น่าพอใจ้าเราคิดแบบนี้ก็จะก็จะตระหนักว่าไอ้สิ่งไอ้ความทุกข์อุปสรรคทั้งหลายทั้งยวงที่เราเจอความยากลำบากความล้มเหลวความพัดพรล่คาคำต่อว่าดาทอ ที่ผ่านไปมันก็คือเครื่องสิ่งฝึกฝนให้เราเข้มแข็งให้เรารู้จักเตรียมตัวเต็มใจรวมทั้งสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นในวันข้างหน้ามันก็เป็นเครื่องฝึกเราเหมือนกันในสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราล้วนแต่ดีทั้งนั้นและสิ่งที่จะเกิดกับเราต่อไปก็ดีเหมือนกันดีในแง่ที่ว่ามันจะได้ฝึกเราให้เข้มแข็งหรือว่า ทำให้เรารู้จักการปล่อยวางเพราะถ้าไม่ปล่อยวางก็จะทุกข์ถ้าแบกเอาไว้ก็จะหนักการสลัดของหนักทิ้งลงเสียเป็นความสุขการแบบถือของหนักเป็นความทุกข์ในโลกของหนักนี่มันไม่ใช่อะไรมันหมายถึงของที่หนักทิ่ใจของหนักที่ใจ อีกลายนึงทีไปเยี่ยมนะก็เป็นเป็นผู้หญิงอายุหกสิบกว่าตับแข็งเพราะว่าไวรัสซีไวรนะัสซีมันเข้าไปมันใช้เวลานานนะสามสิบปนะีกว่าจะเห็นผลนะกว่าจะแสดงตัวส่วนใหญ่อาการมันจะเกิดขึ้นก็นตอนนี้แหละตอนอายุห้าสิบหกสิบ ตับแข็งเอาเรื่องต่างก็แ ย, ย่ลงปลอดก็ทำงานไม่ได้ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจต้องมีการสอดเข้าไปรายนี้เจ้าตัวนี้ยังมีความรู้สึกรับรู้ได้แล้วแกก็เจ็บปวดแกก็ทรมานอยากจะให้ถอดท่อเพราะมันมันเหมือนกับอะไรที่มันทิ่มแทงขูด คลาดอยู่ในข้างในหลอดลมเรามันอ่อนแอมันอ่อนบางมากไม้จะเป็นท่อพลาสติกก็เหมือนกับปวดมากแต่ว่ามีไอแต่ลูกไม่ให้ลูเลยผัวแกไม่ยอมไม่ถอดอยากจะให้อยู่ไปนา น, น, าน หมอแล้วพยาบาลก็ทำอะไรไม่ถูกนะที่จริงเรื่องแบบนี้เนี่ยมันตัดสินง่ายนะเพราะว่ามันอยู่ที่คนไข้นะคนไข้ถ้าอยากให้ถอกก็ต้องถอบอันนี้ไม่เหมือนกรณีส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เ น, นี่ยคนไข้ไม่รู้ตัวคนไข้ไม่รู้ตัวว่าแลแต่ญาตนะิแลญาติก็ต้องเป็นใหญ่คือผัวแต่กรณีนี้เนี่ยเขารับรู้คุยได้ พูดได้บ้างพูดไม่ค่อยได้ท่อมนอยู่ในปากแต่ว่าเขาก็อยากจะให้ถอดซะก็เลยต้องไปคุยกับคุยกับผัวนะผัวก็ก็เป็นชาว บ, บ้านถามเขาว่ารู้ไหมว่าเขาปว่วยแล้วก็รู้ไหมว่ายังไงก็ต้องตาย เนี่ยงไงก็ต้องตายเพราะว่าอาการก็หนักแล้วถามเขาว่ายือย้อยื้อเมีเอาไว้แต่ว่าปวดทรมานกับการที่ไม่ยื้อแต่ว่าเขาไม่ทรมานอะไรจะดีกว่ากันก็ถามเขาให้เขาตัดสินใจ แต่ไปเกลี้ยกล่อนเขามันก็ไม่ถูกนะแต่ว่าต้องให้ข้อมูลเขาแล้วก็ให้เขาได้คิดว่าสถาการณ์ของเมียเขาเป็นอย่างไรแล้วก็เขา ต, ตัดสินใจที่จริงไม่ต้องถามหัวก็ได้นะเพราะว่าคนไข้เขายยาดถอดตามหลักนิสิทธตที่คนไข้สําคัญที่สุดคนไข้ไม่ต้องการอะไรก็ต้องก็อย่าไปทําให้เขา ก็ต้องสนองตอบเขาแต่ปฏิเสธได้อย่างเดียวคือเม่อไ <c oughs> ข้ขอให้ตายเร็วๆขอให้เล่งความตายของเขานี่ทำไม่ได้ขอให้ฉีดหมอฟิลเข้าไปหนัหนกฉีดยาเข้าไปอันนี้หมอทำไม่ได้แต่ถ้าจะให้ถอดโน่นถอด น, นี่หมอก็ต้องยอม ถ้าไม่ใช่เป็นการเร่งความตายือทำให้ตายเร็วข้าพิงแต่ว่าช่วยทำให้เขาลดความทุกข์ทรมารและสุดท้ายาผัวก็ยอมก็บอกว่าเขาบอกว่าแล้วแต่หมออันนี้ธรรมดาชาวบ้านเลยนะสุดท้ายบอกว่าแล้วแต่หมอ แต่ก็เห็นแล้วว่าืยอไอ้การใส่ทอนี่มันเยอะมันยื้อก็จริงแต่มันทรมานก็ยอมใส่่อก็ถอดอันนี้เป็นเป็นปัญหาอีกอย่างที่เกิดขึ้นทั่วไปก็คือว่าคนค่ายพอการหนักแล้วเนะี่ยยานนี้ก็อยากจะยื้ อ, อไว้ หรือว่าอยากจะให้ทำทุกอย่างอยากจะให้ทำทุกอย่างแต่ทุกอย่างนี้ต้องวงเล็บนะทุกอย่างที่เกี่ยวเรื่องกับกายแล้วคิดว่าคนไค่ต้องการแค่นี้แหละเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่จะทำให้กับคนไข่ได้คือคือว่าให้หมอทำทุกอย่างเท่าไรไม่ว่า กี่ล้านก็ยอมอโดยที่ไม่รู้ว่ามันอาจจะไม่ดีออกับคนไข้ก็ได้ที่เราเองว่ามันดีออกับคนไข้แล้วคิดว่าเนี่ยคือการแสดงความกตัญญูแสดงความรักคือยืดเต็มที่ทําทุกอย่างแต่ส่วนใหญ่แล้วอีกอย่างมีอย่างเดียวที่ไม่ได้ทํานะ ไม่ได้คิดเลยคือว่าการช่วยเหลือดูแลเยียวยาจิตใจเขาง้เวลาบอกว่าทำทุกอย่างทำทุกอย่างส่วนใหญ่แล้วก็ก็คือทำประกับกายเรื่องใจนี่มองข้ามไปเลย ทั้งที่ในตอนใกล้าตายี่สิ่งที่สำคัญที่สุคือเรื่องใจนั่นแหละในการไปทาำอะไรกับกายเขส่วนใหญ่ก็ทําให้เขาทรมานมากขึ้นไอ้ที่ทําก็ไม่สมไม่ไม่จําเป็นต้องทํากลับทําไอ้ที่จําเป็นต้องทําก็กลับไม่ได้ทําเป็นอย่างนี้เสมอนะในสมัยนี้นั่นก็เลยเห็นว่าคนไข้ทรมาน แล้วก็ไม่สามารถจะบอกอะไรได้เพราะว่าโคมา่าไปซะละหรือว่าพูดอะไรไม่ได้ไม่รู้สึกตัวแต่กรณีนี่ยังดีนะยังรู้ลังรับรู้แล้วก็บอกความต้องการเพียงแต่ว่าผัวไม่ยอมแล้วก็ตามวัฒนธรรมไทยนี่ก็ต้องญาติคนไข้อันนี้เสียงดังยังไงก็ต้องฟังเพราะถ้าไม่ฟัง เอาความเห็นของคนไข้เป็นเกณฑ์แล้กก็ทะเลาะ ก, กันทะเลาะ ก, กันแล้วมันก็เสียความรู้สึกจะตายทั้งทีก็มีเรื่องบาดหมางกันมันไม่มันไม่เหมาะสมที่เมืองไทยนี่ก็ต้องเป็นพ้องต้องกันทั้งคนไข้ทั้งหมอทั้งญาติสามเศร้าถ้าเป็นมืองนอกนี้ คนไข่กับหมอก็ตกลงกันได้ก็ยังไงก็เอาอย่างนั้นแลหละโดยที่จริงคนไข้ยอย่างเดียวก็พอแล้วยืนกลางอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ก็ต้องเตรียมเหมือนกันต้องเตรียมโดยเพอาถ้าเกิดว่าคนไข้ไม่รู้สึกตัวแล้วนี่อยากจะให้ทำอะไรไม่อยากให้ทำอะไรก็ต้องบอกรวมหน้า บอกล่วงหน้าไว้ก็เรียกว่าแสดงเจตจำนงล่วงหน้าบางทีเขาก็เรียกว่าพิธายกรรมชีวิตคือพิธายกรรมที่ใช้ตอนที่ยังมีชีวิตอยู่นะั่นไม่ใช่มีผลบังคับใช้เมื่อตายไปแล้วพิธายกรรมชีวิเป็นเรื่องการรักษ า, าจะให้รักษาอะไรให้ทำอะไรบ้างให้ไม่ให้ทำอะไรบ้าง ก็บอกกับผัวนะว่าเนี่ยตอนนี้เนี่ยสิ่งที่ยังทําได้ก็คือการการพูดกับเมียพูดถึงสิ่งดีๆพูดถึงความรักที่เรามีกับเขาพูดถึงสิ่งที่เราประทักใจในตัวเขาชวนให้เขานึกถึงความดีนึกถึงบุญกุศลอันนี้แหละคือสิ่งที่ดีกว่าดีกว่าการไป ไปบอกให้หมอใส่ท่อยื้อชีวิตเข า, าโรงพยาบานนี้ก็ดีนะเขาก็พยายามที่จะจะดูแลทั้งกายและใจคนไข้แต่ว่าโรงพยาบาลอะไรโรงพยาบาลก็ไม่สนใจจะยื้ออย่างเดียวโดยเพราะถ้าเป็นโรงพยาบาลเอกชน หมอบางทีก็บอกให้เจอไหล่ลายแล้วเนี่ยลูกดูแลแม่พอแม่เกิดอะไรขึ้นมาหมอยบอกใส่ท่อเลยทั้งที่แม่แม่ก็ไม่อยากเราก็ไม่ได้คุยกันก่อนเลยว่าใสายแล้วเกิดอะไรขึ้นใสยแล้วเกิดอะไรตามมา คนไข้ก็ญายก็ส่วนใหญ่ก็เป็นอย่างนี้แหละคนไข้ด้วยเวลาอยากจะให้ทำโน้นทำนี้ไม่ได้ถามต่อไปว่าแล้วมันเกิดอะไรตามมามีหมอคนหนึ่งนะแกไปพูดไปบรนเไปพิปรายหมอสกุลที่ธรรมศาสตร์เมื่อสี่ห้าวันก่อนนะพวกเราหลายคนก็ได้ไปฟังด้วย ผมก็จะไปเป็นล่ามแปลกับโซเกียวในตอนท้ายเาว่านการรักษาทุกอย่างมีโทษทั้งนั้นการรักษาทุกอย่างมีโทษทั้งนั้นแต่ว่าก็มีคุณด้วยที่เราที่เราที่เราใช้กันก็เพราะว่ามันมีคุณมากกว่าโทษแต่ว่าพอคนไข้อาการหนัก หรือว่าอยู่ในระยะสุดท้ายเนี่ยการรักษาส่วนใหญ่คุณมันน้อยกว่าโทษทั้งคนไม่ค่อยคิดนะพอยิ่งคนใกล้เนี่ยอาการหนักเพียรหนักมากเลยเลยเนี่ยวิธีการเนี่ยมันจะคุณประโยชน์มันจะน้อยลงส่วนโทษมันจะเพิ่มขึ้นแล้วคนไม่ค่อยคิดนะว่าเนี่ยเวลาคนไข้าหายใจไม่ออกแล้ว จะต้องใส่ท่อเนี่ยก็คิดแต่ว่ามันมีข้อดีคือทำให้อยู่ได้อีกแต่ไม่ได้นึกต่อไปว่าแล้วมันมีโทษยังไงบ้างคนใข้ไม่กินไม่ยอมกินไม่ยอมกินอาหารก็ก็ใส่อาหารเข้าไปทางท่อบังคับเขาบอกว่าท้องไม่ย่อยอ า, อาหารไม่ย่อยท้องอืดทรมานต้องไปดูดอาหารออกมา คนไข้ไม่กินอาหารก็ฉีดน้ําเกลือเข้าไปบอกว่าตัวบวมเพราะว่าไตานี่มันไม่ทํางานอ๋อเนี้มีปัญหาเดี๋ยวก็ต้องเจาะน้ำเอาเอาน้ําออกอีกทรมานนี่คือไม่ได้ส่วนใหญ่ญาติหรือคนไข้ส่วนใหญ่ ญ, า ต, ญ, ญาติมากกว่าอย่าให้หมอทำโน้นทํานี่ไม่ได้ถามต่อแล้วเอ้ยแล้วมันเกิอดอะไรตามมา เป็นคนไข้ไม่ ก, กินอาหา ร, ารก็ออกฟีกไปเลยไม่ได้ถามว่าแล้วถ้าฟีไปแล้วมันจะเกิดอะไรตามมาหมอนีงก็รู้นะแต่ว่าบางทีก็ไม่มีเวลาจะคุยแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแต่แล้วเกิดปัญหาตามมาแล้วก็แก้แก้กันไปเรื่อยสุดท้ายก็ทนไข้ก็ทรมานอันนี้ก็เป็น เป็นชะตา ก, กรรมนะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแทบแทบทุกวันเรียทุกวันเลยดีกว่าทุกโรงพยาบาลแล้วกับคนไข้หนักหแทบทุกคนเพราะว่าไม่เคยได้เตรียมตัวอันนี้ก็เป็นก็เป็นความทุกข์อันหนึ่งนะของชีวิต ไม่ว่าจะสุขภาพดีแค่ไหนไม่ว่าจะอยู่ในวัยใดสุดท้ายก็มาลงเอยแบบนี้แหละลงเอยทํานองนี้ก็คือว่าป่วยอาจจะไม่ต้องมาลงเอยที่โรงพยาบาลแต่ว่าลงเอยด้วยการที่ร่างกายหมดสภาพอยู่ที่ว่าปรปปับหรือว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปอย่างลายที่ตับแข็งเนี่ยแกก็เข้าโรงพยาบาลอยู่หลายครั้งนะ กาเข้าแต่ละครั้งก็คิดว่าจะได้ออกไปมันก็เป็นความหวังของเขาแต่ว่าไม่ได้เผื่อใจไว้ก็ได้ออกทุกครั้งนะแต่ว่าครั้งสุดท้ายไม่ได้ออกแล้วมันหนักเ้าคนรอนี่พอพอพอป่วยแล้วมันมันก็หมดสภาพเลยนะทาอะไรไม่ได้กับร่างกายขอยงตัวแม้แต่จะหายใจก็กลายเป็นเรื่องยาก นี่เรียกว่าความตอนทั้ายผู้ที่ถูกความทุกอย่างเอาแล้วไอ้ความทุกขนี่มันอยู่กับตัวเราตลอดเวลาถึงเวลามันก็โผล่มาให้ร ใ, ให้เห็นบางทีโผล่มาทีละนิดทีละนิดทีละนิดแต่บางทีก็โผล่มาแบบปุบปับหมดสภาเราเองก็ต้องลองนึกนะถึงวันที่เราก็อยู่ในสภาวะที่หมดสภา พูดไม่ได้เคลื่อนไหวไม่ได้กินไม่ได้ถ่ายหนักถ่ายเบาเองก็ไม่ได้หรือว่าไม่สามารถจะออกไปทํอาออกไปถ่ายอย่างที่เราเคยทําทุกอย่างต้องอยู่ทุกอย่างก็ต้องทําหรือเกิดขึ้นบนเตียงทั้งนั้น แทนเ่งหายใจก็หายใจก็กลายเป็นเรื่องลำบากถึงตอนนั้นจะทำใจอย่างไร ต, ต้องอาศัยใจลูกเดียวแล้วเพราะว่าหมอก็ช่วยอะไรไม่ได้มากอย่างมากก็ได้แค่ประครับประคองหรือหนักกว่า น, นั้นก็ยือ้อทีนี้ทำให้ทุกทรมาน ยือกับประคัประคองเหมือนกันนะยือเนี่ยมันก็คือพยายามทำให้มีชีวิตได้ยืนยาวที่สุดประคัปอง ค, คือประ ค, คัปองตัว่าไม่ได้คิดจะยือชีวิตก็แค่ช่วยลดความทุกข์ทรมานแก้ไปตามอาการนี่ก็ต้องคิดเอาว่าจะทำอย่างไรแล้วก็อันนั้นก็เป็นเรื่องการเตรียมตัวแต่เตรียมใจก็สำคัญนะเตรียมใจเอาไว้ ถ้าคนสวนใหไม่ได้เตรียมใจในตอนที่สุขภาพดีก็ล้นลาสนุกสนานถ้าไม่ได้ไม่ได้นึกว่าสักวันหนึ่งจะต้องมาลงเอยแบบนั้นในการไปโรงพยาบาลนี่มันถ้าไปด้วยการวางใจที่ถูกต้องนะมันทำให้ตั้งอิดในความไม่ประมาท ก, ก็เห็นสภาพนึกถึงสภาพตัวเองว่าสักวันนี้เป็นอย่างคนไข้นะจะทำยังไง แค่จะนอนให้หลับก็ยากแล้วเสียงไฟหรือว่าไฟมันเปิดตลอดเวลาเปิด24ชั่วโมงมีเสียงดังเสียงตู้ตีเสียงคนไข้ลองครางเสียงเครื่องทำงานเครื่องช่วยหายใจหรือว่าเสียงของจอมอนิเตอร์อากาศก็ร้อนบางทียุงก็มากัด นี่คือรือถึงแม้อยู่ในห้องพิเศษก็ไม่ใช่มันจะดีกว่านั้นมากเท่าไหร่นี่แหละคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคนส่วนใหญ่นะ 90% 90% ของคนในโลกนี้หรือว่าคนในเมืองจะเป็นอย่างนี้แหละนั่นกหมายถึง 90% ของพวกเราด้วยโอกาสที่จะเกิดขึ้น 90% ก็อย่างนี้อีก 10% ก็เผื่อไว้สำหรับการตายแบบทันหัน อุบัติเหตุว่าใจวายแต่ว่าถึงแม้อยู่ในสภาพนี้มันก็ใจไม่ทุกข์ก็ได้นะอันนี้คือข่าวดีใจไม่ทุกข์ก็ได้ร่างกายมันทุกข์แต่ใจไม่ทุกข์ก็ไ ด, ใจใจไกกได้ถ้าฝึกเอาไว้นย่างอาจารย์กำพลนี่ก็ทุกทรมานมากน ะ, ะมีทุกขเวทนามากร่างกายแต่ว่าใจท่านดี ยิ้มได้แม้เรียวแรงจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่อ น, นี้ก็เพราะการได้ฝึกนะฝึกเอาไว้ฝึกขณะที่มันยังสุขสบายดีแล้วจะฝึกก็ฝึกจากอุปสรรคจากปัญหาจากสิ่งที่มากระทบใจจากคำต่อว่าดาทอฝึกจากความ ความเจ็บความปวดในชีวิตประจำวันความปวดความเมื่อยฝึกเอาไว้ว่าเออมันจะเป็นยังไงใจก็ปกติแดดจะร้อนอากาศจะหนาวไงใจก็ปกติให้เดินธรรมญาตานี่ยก็เพื่อฝึกนี้แหละมันจะมีเวทนาอย่างไรเท้าจะปวดตัวจะเมื่อยก็ มันก็เมื่อก็ทุกแต่กายใจปกติใจสงบเย็นนะ่ต้องต้องหาโอกาสฝึกนะซึ่งรวมไปถึงการเดินหน้าเข้าหาทุกข์ด้วยให้ทุกข์มันสอนเราให้เข้มแข็งให้ทุกข์มันมันมันหล่อล้อมเราให้ให้จิตใจมั่นคงเข้มแข็งไม่ประมาท 好了，下面不给他们米了，干